1.5 อุดมคติของมนุษย์31มีนาคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองคนที่ติดสมาธิจะให้ออกมารู้กายรู้ใจจะไม่ทำคำว่าในเครื่องหมายคำพูดวิริยะคือเพียนแผดเผากิเลสปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำลายกิเลสเก่าทำกุศลให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วทำให้เจริญอันนี้ถึงจะเรียกว่าวิริยะ ทีนี้พอมีสมาธิมันจะขี้เกียจเจริญสติมันจะไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจเรียกว่าไม่ได้ทําความเพียนเพราะไม่รู้กายไม่รู้ใจอกุศลก็เกิดอกุศลคือโมหะจะเกิดเกิดความหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นนะว่ากายกับใจเป็นตัวเรายึดถือมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เกินเรื่องกายกับใจวิริยะก็คือการที่มีสตินั่นเองเมื่อใดที่มีสติอกุศลก็ถูกละอกุศลใหม่ไม่เกิด เมื่อไดมีสติกุศลก็เกิดที่เกิดแล้วก็งอกงามไพบู์ขึ้นเรื่อยๆเพราะทำสมาธิแล้วมันจะขี้เกียจเจริญสติอย่างพระป่าทำสมถะมากๆติดสมาธิครูบาอาจารย์ก็ไล่ให้ออกมาพิจารณาร่างกายให้คิดนั่นแหละให้จิตใจออกมาทำงานเคลื่อนไหวทีนี้พวกเราจะงงๆอย่างหนึ่งว่าทำไมมันมีเรื่องความสมดุลคือศรัทธาก็ต้องสมดุลกับปัญญาศรัทธามากก็โง่ ปัญญามากแต่ไม่มีศรัทธาเลยนะก็เป็นปัญญาอวดดีอวดเก่งปัญญาล้างผลาญตัวเองมันไม่เก่งจริงหรอกปัญญาของพวกเรานะพูดจริงๆเลยก็เป็นปัญญากระเจาะงอกง่อยปัญญาสนองกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาข้ามพพข้ามชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าค้นพบซึ่งอาศัยการเจริญสติอีกนั่นแหละรู้กายรู้ใจไปจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นนะเราทําเป็นว่าปัญญามากศรัทธาน้อย บางคนประกาศว่าทะนะไม่นับถือหรอกพระพุทธเจ้านับถือแต่ฟิสิกส์นะพุทธังสารนังขฉ า, ามิไม่เอามีพระเจ้าองค์เดียวคือฟิสิกส์ปัญญาแบบนี้เป็นปัญญาล้างผลาญมันหาความสุขความสงบไม่ได้จริงในชีวิตลืมไปว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จตัวเองให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำอย่างไรจะสามารถอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทำประโยชน์ของตัวเองทำประโยชน์ของคนอื่นได้ นี่เป็นอุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่แท้จะต้องทำประโยชน์ของตัวเองทำประโยชน์ของคนอื่นให้ได้มัแต่ฟิสิกส์คังสารนังนะมันก็ไปทำระเบิดนิวเคลียร์ได้ใช่ไหมไปล้างผลาญได้ดังนั้นปัญญาพอขาดศรัทธาแล้วก็แย่เลยมีศรัทธาไม่มีปัญญาก็โง่สุดๆเลยยังแต่ก่อนเคยมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะเดี๋ยวนี้หันไปนับถือเทวดากัน